เมื่อวานก็มีโยมข้าราชการเขตทางหนองคายเข้ามากระเษียณอายุราชการเป็ น, นรดูโยกย้ายเป็ น, นระดูกะเกษียณอายุราชการเดือนเนี่ยถ้าผู้ใดไปได้ดีก็เออพอใจถ้าออกไปไม่ได้ดีก็เอาอับเฉาบางคนก็เวลากเกษียณอายุราชการแล้วก็มีงานจะต้องทําก็ดีใจบางคนกเกษียนราชการไปแล้วก็ ไม่รู้จะทำยังไงก็เสียใจไม่สบายใจแต่ตามห้จริงในสิ่งเหล่านี้มันต้องท่านต้พิจนารณาตามโลกธรรมโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศตินทาสนะเสริอมสุขทุกอันนี้อยู่มีอยู่ในโลกมนุษย์ของเราใครจะหลีกลี่หนีไปที่ไหนไม่พ้นถึงจะอยู่ในสภาพไรก็ตามเรื่องโลกธรรมแดต้องได้เตรียมทำใจเอาไว้อยู่เสมอ อย่างเราเป็นพระอย่างในฐานะหลวงพ่อเป็นพระอย่างนี้พระไม่น่าจะมีโลกธกรรมมีนะมันมีส่วนหนึ่งเหมือนกันคือขึ้นกระทบไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นโลกธรรมแปดที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาอันนี้คือเตือนเอาไว้ก่อนคือทำใจให้เป็นกลางๆ ในเมื่อเราได้รับยกย่องเชิดชูบูชาคนทั้งหลายยกย่องนับถือก็อย่าไปลืมตัวต้องคิดไปอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะอาจจะโดนลุมด่าก็ได้แต่ในเมื่อเราถูกเขาดุด่าว่าเกา่าเขาลินทาเราคอยคิดไว้ในใจอยู่เสมออันนี้คือในช่วงที่เราถูกติชินนินทาแต่อีกสักวันหนึ่งความติชินนินทา น, นี้ยเคงจะ หมดสิ้นไปแต่ถึงยังไงการติชินนินทาก็าดีการยกย่องสรรเสริญก็ดีก็ให้โอปนัยโกน้อมขอมาหาตัวตัวของเราเองเป็นหลักสําคัญการที่เขายกย่องสรรเสริญ น, นั้นเป็นจริงอย่างที่เขายกย่องสรรเสริญหรือไม่หรือเขานินทานั้นมันเป็นอย่างที่เขาติชินนินทาเราหรือไม่แต่ถ้าว่าเป็นอย่างที่เขาว่าเรื่องติชินนินทา เราก็ปรับปรุงแก้ไขซะให้มันดีขึ้นตามโลกสมมุติของเขาตามที่โลกสมมุติเขาต้องการตามที่โลกสมมุติเขาถูกต้องเว้นเสียแต่ผิดหลักธรรมวินัยถ้าผิดหลักธรรมวินัยเราก็ทําไม่ได้อย่างพระทําไมไปอยู่เมืองนอกทําไมพระจึงปองผมถ้าปองผมไม่ดีแล้วจะทํายังไงเพราะกดพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ปองผมอยู่แล้ว อันนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องยึดหลักพระธรรมมีนัยของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรเราก็ต้องยึดในหลักกเกณฑ์ที่เราเคารพนับถืออันนี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ส่วนอื่นที่เขาว่ากล่าวตีเตียนเราก็ต้องมองดูหรือการกระทำของเราอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขในสมัยหนึ่งหลวงพ่อเองอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด มีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเข้าไปกราบลุงตาเสร็จแล้วท่านก็มาพักที่วัดตอนเย็นนะแวะเวียนมาเยี่ยมแล้วก็ถามไทยท่านก็ถามในลักษณะเชิงปฏิบัติท่านก็อยากจะถามว่าพระอย่างท่านท่านอินเนี่ยอยู่ที่วัดนี้วิธีปฏิบัติทําอย่างไรภาวนาทำอย่างไรวิธีปฏิบัติส่วนตัวชีวิตประจําวันทําอย่างไรและปรับปรุงในชีวิตหรือว่าความคิดของท่าน ท่านคิดในแนวไหนอันนี้ท่านก็ถามแบบแบบกันเองกันเองเหมืั้นเถอะแบบพี่น้องแบบสนิทไม่ใช่สามแบบลองเชิงไม่ได้ถามแบบคนอื่นไกลเหมือแนบบนั้นเถะเราก็ตอบแบบซื่อๆเหมือนกันเพราะาชีวิตประจําวันของพระ ก, ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของหลักธรรมวินัยก็ไม่มีปัญหาอยู่ตามแถวแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเราก็ยึดถือตามแนวแถวแนวนั้น ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนตัวที่ภาวนาเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้จิตสงบมันจิตมันฟุง้งปุ่งพุ้งซ่านเนี่ยเราก็พยายามเอาสติเข้ามากากับจากนั้นกับบริกรรมพุทธโธพ ร, ร้อมกับลมหายใจเข้าออกนี้เป็นหลักและก็วิธีเดินก็นเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโธอันนี้คือสมัตรที่จะต้องทำจิตให้สงบ อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วต้องพยายามทําจิตให้สงบสติอยู่กับตัวเองให้มากบางทีก็ตั้งถึงกับตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตส่งจิตออกไปข้างนอกในขณะที่อดอาหารอยู่ตามลําพังอันนี้ก็เคยทํามาแล้วก็เป็นทิศได้ผลดีแต่ส่วนแนวความคิดนั้นก็ได้พิจารณาถึงมรณะนุสติถ้าจะทําจิตให้ใคือว่าจิตมันเฟอมันฟุ้งเฟอร์มันลืมตัว มันปูงฟุ้งออกไปข้างนอกมากกับเพียนานถึงมรณะรู้สติเอ้ยชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมันกี่ปีแล้วมันไม่นานนะไม่รู้ใครมันจะตายเมื่อไหร่อันนี้คล้ายๆกัชบช็อกชีวิตช็อกความรู้สึกตัวเองอย่าให้มันลืมตัวจนเกินไปคือให้อยู่ในกรอบอย่าให้มันปูงฟุ้งออกนอกตูนอกทางเกินไปอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทําจิตหรือว่ใจของตัวเองให้อยู่ในกรอบไม่ให้ลืมตัว จากนั้นก็พิจารณาอสุภปะปฏิกูลว่าร่างกายของเราเนี่มีอะไรบ้างเกสาโลมานขาตามหลักที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่ามันเป็นของไม่กีรังถาวรไม่ใช่ของยั่งยืนอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายไม่ใช่ของมั่นคงร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละวิธีการหลวงพี่อยู่ในป่าหลวงพี่ก็ได้คิดอย่างนี้แหละอันนี้คือหลัก มีทั้งศีลการเป็นอยู่สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญากับพิจารณาแยกแยะถึงมรณะคือความตายพิจารณาถึงร่างกายของตัวเองอันนี้เป็นหลักตอนนี้เราก็ถามว่าท่านละ่ะชีวิตของคารวะเนี่ยพิจารณาอะไรยึดอะไรท่านบอกว่าผมทุกวันนี้พิจารณาเรื่องโลกกระทำแปดรู้สึกว่าเห็นได้ชัดในใจเห็นได้ชัดในความรู้สึกแตนี้เราผม พอพูดเราก็ไม่ได้ถามอธิบายว่าท่านพิจารณาโลกธรรมนั้นพิจารณาอย่างไรเราก็ไม่ได้ถามนะเราเคยถามเพียงแค่นั้นก็ไม่กล้าถามส่วนลึกลงไปแต่นี้เราก็มาคิดมาพิจารณาตัวเองเอมันไม่เกี่ยวกันเลยกับธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณามันโลกธรรมแปดมันอยู่นอกๆไม่เห็นจะมีอะไรที่จะมากระทบพิจารณาถึงความตายที่บอกว่าร่างกายร่างขายสังขารมันจะตายอยู่แล้วเนี่ย หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายไม่เห็นจะไปเกี่ยวกับโลกธรรมโลกธรรมกัยอีกวงนอกอีกต่างหากไม่เห็นจะมากระทบกระเทือนกับจิตใจอะไรทำไมท่านถึงพิจารณาอย่างนั้นนะคิดออพอมานานๆนมามาเห็นเออใช่เพราะท่านอยู่ในระดับสูงในการปกครองวันนี้คนยกย่องสรรเสริญ เยินยอส่องแซ่ไปหมดทั้งข่าวนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์วิทยุอะไรเขาก็ยกย่องว่าการออกงานของท่านถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฮะแต่พอวันดีคืนดีกับตรัฟัดด่าทั้งบ้านด่าทั้งเมืองทีเดียเอียเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เข้ามาและเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไง ร, รับได้ไทมไหมมันเห็นได้ชัดเนี่ยยกย่องกับตินทาเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยแล้วว่างนั้นเถอะ พอยกย่องขึ้นมาแล้วก็ฟูพอเขาด่าปุ๊บโยบอ่อนโยบเรืวงั้นเดอกเนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจของเราแต่คนอื่นไม่รู้แต่ว่าตัวเองที่ถูกเนี่ยมันรู้แต่แต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราต้องดูใจของเราสิเนี่ยมันฟูหรือมันจมมันจมหรือมันฟูมันดีใจมันเสียใจมันเสียใจมันดีใจยังไงอันนี้แหละให้สังเกตสิเนี่ท่านก็คงจะสังเกตนี่ ความดีใจก็ดีก็คือตัวกิเลสความเสียใจก็คือตัวกิเลสในความดีใจเสียใจนะมันไม่ใช่ทำมันไม่เสมอภาคมันไม่นน่งเอ๊มันมีขึ้นม um, ันมีลงมัน oh, ม okay, ีขึ้นมันมีลงคือความไม่ตายตัวคือความไม่อยู่ตัวแต่ทาความไม่อยู่ตัวก็คือตัวกิเลสมันแฝงอยู่ในจิตใจของเรามันรับมันเสียใจมันดีใจมันเสียใจมันดีใจสรุปแล้วก็คือทำมารมที่เข้ามากระทบเข้ามากระทบใจทำมารมที่มากระทบใจ มาส่วนดีเราก็ดีใจสิ่งที่มากระทบส่วนชั่วเราก็เสียใจอันนี้แล้วอะทำมาลมเขามากระทบจิตกายเวทนาจิตทรมธรำมาลมรู้สึกว่าเห็นได้ชัดในใจเห็นได้ชัดในความรู้สึกถ้าในพิจนารณาตามโลกธรรมโลกธรรมแปดมีลากเสื่อมลากมียศเสื่อมยศ ด, ดินทาสนเสริญสุขทุกอันนี้อยู่มีอยู่ในโลก มนุษย์ของเราใครจะหลีกลี่หนีไปที่ไหนไม่พ้นถึงจะอยู่ในสภาพไรก็ตามเรื่องโลกกระทำแปดต้องเตรียมทำใจเอาไว้อยู่เสมอ